บุกทูหกสิบห้าการปฏิเสธสองแหวนวงนี้แพงไหมคะไม่ค่ะ แวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยูโลนี่ він куштує тільки сто євро แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ Але я маю тіль ปียดคุณเสร็จแล้วใช่ไหม Ты вже готовий ไม่ยังไม่เสร็จค่ะ ni ช ні แต่เดียวก็เสร็จแล้วค่ะ але Скоро Буду г о т о в и й คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะหู чеш ще ซุป у? ไม่ดีฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ Ні Я більше не хочу แต่ขอไอสครีมอีกถ้วยค่ะ але ЩЕ Одне Морозово คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรื อ, อยังคะไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ їды е завтра додому ไม่ค่ะจะไปตอนเสาอาทิตย์ ні тільки у вихідні แต่วันอาทิตดิฉันจะกลับมาแล้วละค่ะ Але я повертаюся вже у неділю ล, ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ твоя дочка вже доросла ไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่องอายุสิบเจ็ดปีนี่ยี่สิบก้าสินาดแต่เธอมีแฟนแล้วนะแต่เธไม่แต่เธอมีแฟแล้วนะแต่เไม่ใเธอมีแฟแล้วนะ่เธอไม่ี่